เนื่องจากโลกนี้เป็นโลกสร้างดีสร้างชินไม่ทําก็ไม่ได้ขาดขันเป็นเครื่องบังคับอยู่ตลอดเวลาในวัดท่านผู้ใดแม้จะจัดโดยสารก็ต้องมีเครื่องบังคับจะต้องหามาเยียรยาแก้ความลำพางซึ่งเกิดขึ้นก็ความนี้โหยวความหนาวความร้อนเหล่านี้ล้วนแล้วกันจะเป็นสิ่งบังคับจะต้องจัดต้องทําเพื่อเยียยา ด้วยเหตุนี้ที่เราทั้งหลายพนนานจะได้พบกันครั้งหนึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมเึงขอขอบคุณและอนุโมทนานกับกุศลเจตนานของท่านทั้งหลายด้วยนอกจากมาเยี่ยมแล้วยังได้มาบริจาคเป็นทางเพื่อจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบำรุงจิตใจของตนด้วยคุณงามความดี ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่โลกต้องการตลอดมาความดีนี้เป็นผลให้เกิดความสุขความสบายความสมมติสมหมายทุกสิ่งทุกอย่างรุ่นแล้วต้องจะเกิดจากความดีความชั่วนั้นไม่มีทางที่จะหวังได้ให้มีความเย็นใจเพราะของไม่ดีนั้นแม้แต่น้อยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจริงสั่งสอนให้ละให้เวน้นให้เห็นภัยของมัน ส่วนความดีนั่นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการตลอดมาไม่เคยลาสมัยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชื่อว่าความสุขแล้วย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการด้วยกันการทั้งหลายด้วยบำเพ็ญนี้เรียกว่าทําตามจุดที่ถูกต้องในคํา ส, สอนของพระพุทธเจ้าสื่อชงแสดงไว้คือบุญนี้แลเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งทั้งปัจจุบันและอนาคต ทั้งที่เป็นตกติและเวลาจนกรอกจนมุมเราจะต้องอาศัยคุณ ง, งามความดีที่เราสร้างไว้นี้เป็นสมบัติของเรานี่แหละคือคู่พึ่งเป็นพึ่งตายคือคู่ที่ขึ่งทุกข์พึ่งยากได้จริงๆก็คือคุณ ง, งามความดีมันเป็นหลักใจของเราต่อไปเพราะใจเป็นสิ่งที่จะต้องุดต้องเกิดอยู่ด้วยอำนาจแข่งเชื่อของสิ่งที่ทำให้เกิดมีอยู่ ตามหลักธรรมท่นานบออวิชชาปัจญาสร้างขาลาสันไหวนั้นนี่คือเชื่อที่จะให้เกิดในพภพชาตินั้นนั้นสิ่งที่จะส่งเสริมให้รับความสะดวกสบายในพพกำเนิดซึ่งเป็นที่เกิดของตอนนั้นได้แก่บุญคำว่าบุญนั้นคือความสุขกุศลคือความฉลาดพยายามบำเพ็ญสร้างแต่เมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่ดังทนท่นาไได้บริจาค ทานตลอดมาแล้วักษาศีลเจริญเมตตาภาณาเป็นประจํานิสัยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัตรนี้นี่ชื่อว่าเป็นผู้สร้างคืองามความดีไว้สําหรับตนความดีนั่นเป็นเหตุให้เกิดบุญบุญนั่นคือความสุขจะเป็นสุขทางกายหรือสุขทางใจเป็นสิ่งที่ถึงหวังด้วยกันทั้งนั้น บุญนี้่จะทําให้เกิดได้ทั้งความสุขทางกายทั้งความสุขทางใจด้วยเพราะเกิดในภพใดชาติใดจะต้องอาศัยบุญบุญนี้จะต้องคิดซ้อนให้ตามไปเรื่อยๆท่านจึงถือว่าเป็นของจําเป็นสาหรับนับปกปราชญ์ทั้งหลายท่านมีความรัก บ, บุญเป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาจนกรอกจนมุมเข้ามาจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งในโลกนี้เพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของกาย ใจได้อาศัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนสําคัญก็คือบุญที่เราจะต้องอาศัยไปโดยลํำดับสิ่งดยงนั้นอาศัยได้เพียงชั่วการชั่วเวลาที่ชีวิตเรายังมีอยู่เมื่อชีวิตหาไม่แล้วก็กลายเป็นโมฆะตรงทันทีทันใดสําหรับรายนั้นๆที่ผ่านไปทางชีวิตเพือได้เกิดตายสิ่งที่ จติดร้อยห้อยตามเราตลอดไปนั่นคือบุญที่เราได้สร้างหรือบาเพ็ญไว้แล้วมงไปไหนก็ไปด้วยเป่นอันเราไม่ลดไม่ละไม่ปล่อยไม่วางไม่มีสิ่งใดที่จะชื่อจัดสุจริิตยิ่งกว่าความดีที่ตนสร้างเอาไว้ไม่ต้องกระทาสัญญงสัญญาประกงประกันกันเมื่อได้สร้างลงไว้ที่จิตใจของเราแล้วไปไหนเป็นถึงไหนถึงกัน ไม่มีหลอกมีหลอนมันมีต่มมีตุน๋นมีแต่เป็นความดีสืบสกุลิศถนอมบำรุงหรือส่งเสริมผู้ที่เป็นเจ้าของคือเราผู้สร้างบุญ น, นั้นไว้แล้วให้รับความสุขความเจริญเกิดในชาติได้พบใดก็ได้เสวอแต่ความดีเพราะตนสร้างความดีไว้เราจะจาได้จําไม่ได้ก็ตามเราจะไปทําในสถานที่ใดก็ตามการทํานั่นเป็นของเราบุญกุศลจึงเป็นของเรา ที่เรามาสร้างวัดสร้างวาสร้างสลาโรงเรียนวิหารก็ตามอันนั้นเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งเท่านั้นสลาไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานไม่ลงนรกวัดวาอาวาสที่เราสร้างขึ้นมานั้นเราสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บุญเพราะเราเป็นผู้สร้างขึ้นบุญจึงต้องมาหาเรานี่เราได้คุณงามความดีจากการส่งเสริมการก่อสร้างคุณงามความดีต่างๆจะสร้างสลาก็ตามสร้าง ว่าสร้างวาหรือสร้างอะไรก็ตามอันนั้นเป็นเครื่องหมายของเจตนาอันบริสุทธิ์ของเราส่วนบุญนั้นเป็นของเราทั้นลาหรือวัตถุต่างๆที่เราให้ทานไปนั้นไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานตัวเราผู้สร้างนี้เองจะเป็นผู้รับคุณงามความดีจะเป็นผู้รับความถูกความเจริญจะเป็นผู้ไปสวรรค์ไปนิพพาน จึงสร้างเพื่อเราการสร้างวัดไม่ได้สร้างเพื่อใครคือสร้างเพื่อเราสร้างอะไรก็ตามคือสร้างเพื่อเราเท่านั้นบุญเป็นของเราจึงเรียกว่าสร้างเพื่อเราถ้าเราสมมุติว่าเราสร้างวัดสร้างชล า, าเพื่อวัดเพื่อสล า, รา จ, จริงๆวัดวาอารามเหล่านั้นต้องไปสวรรค์แต่นี้ไม่ได้ไปถึงการอายุขายของสิ่งเหล่า น, นั้นแล้วก็ต้องสลักหักพังลงไป เป็นธรรมดาของอ น, นีจังซึ่งมีอยู่ในโลกส่วนคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญของเรานั้นเป็นสมบัติของเราสิบสออห้อยตามเราไปเรื่อยๆไม่ชำรุดอันนี้มันมีการชำรุดนี่เรียกว่าสร้างเพื่อเราเราสร้างวัดก็สร้างเพื่อเร า, เราสร้างพรลาก็สร้างเพื่อเราสร้างอะไรเพื่อเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้รับผลความสูขความเจริญเราเป็นผู้จะรับไปสิ่งนั้นนนั้ไม่อาจรับได้เห็นเราสร้างพรลาศหลังหนึ่งก็บูร์ขึ้นมา ทานานั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลหรือของ่านิเองรับความร่วมเย็นความร่วมเย็นนั้นเราขอคอยรับบุญในกุศลด้วยท่านานไม่ได้รับอะไรทำรุ่ลงไปแล้วก็ลงปรพื้นตามเดินของเขาส่วนบุญกุศลที่เราสร้างไว้แล้วนั้นเป็นของเราเราไปไหนติดตามเราไปส่งเสริมเราให้มีแต่ความสุกความเจริญไม่ว่าพบนี้พบหน้าชาติใดๆบุญกุศลนี้ติดตามด้วยเรื่อยๆไม่คดไม่โกงไม่หลอกไม่ลอ้ลอแหละ เป็นความจริงอย่างนั้นตลอดมานักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงช น, นเคยจะเสริญให้บุคคลสร้า ง, งงามความดีไว้สําหรับคนอันนี้เป็นมิตรที่ยืดสะสมยิ่งที่สุดคือความดีที่เราสร้างเอาไว้จําได้หรือจําไม่ได้ไม่สําคัญเราเคยสร้างมาแต่เมื่อไรไม่สําคัญสําคัญที่เราได้ทําลงไปแล้วการจําได้หรือจําไม่ได้นั้นไม่สามารถที่จะลบล้างความดีที่เราสร้างไว้แล้วนั้นสูญให้สูญหายไปได้ความดีต้องเป็นความดีอยู่วันย้่งยาจําได้จําไม่ได้ไม่สําคัญ สำคัญที่เป็นความดีคือนั่นแหลคือเป็นสมบัติของเรามันขอให้ทุกๆ ท, ท่านได้พยายามบำเพ็ญตนการสร้างโล ก, กสร้างสางสารสร้างบ้านสร้างเรือนแสวงหาที่อยู่อาศัยปัใจเครื่องบำรุงธาตุขันก็ให้หาเพราะเป็นความจําเป็นในส่วนร่างกายเมื่อไม่ได้ดูก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้นอนก็ไม่ได้ ไม่ได้รับทานก็ไม่ได้มีความนีโหยเป็นเครื่องดีบบังคับเป็นความจำเป็นที่จะต้องจัดต้องทําอันนั้นเราก็ทําไปเพื่อส่วนร่างกายและจิตใจพอได้มีความสุข ด, ด้วยบ้างส่วนคุณงามความดีซึ่งเป็นอาหารหรือเป็นที่อยู่ของใจจริงๆเราก็อยากลดลนะจัดว่าเราเป็นผู้ฉลาดสร้างทั้งเพื่อส่วนร่างกายสร้างทั้งเพื่อส่วนจิตใจทั้งเราเรียกว่าเราได้ทั้งสองทางไม่บกพ่อง เมื่อไม่บกพร่องแล้วไม่ว่าอะไรถ้าไม่บกพร่องแล้วก็ทําเจ้าของให้สบายตอนนั้นอันในบกพร่องเป็นสิ่งที่จะทำํำเจ้าของได้รับความบกพร่องด้วยไปรับความไม่สะดวกสบายไปด้วยเมื่อสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขความสบายขึ้นโดยลหนับมีการสร้างการส่งเสริมอยู่เมสมอจึงสามารถจะทําให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆัง น, นั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนานกับท่านทั้งหลายเป็นอย่างมาก ในการเสด็จุต่าสร้างผลงานความดีด้วยมาแล้วพอทรบาบจากข่าวการว่าภูบาอาจารย์มาก็เสียสลัดทั้งเวลาเวลาทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานก็ต้องปล่อยวางมาเพื่อสแสดงบุญเสียงแสดงกุศลการกราบไหว้ภูบาอาจารย์การได้ยินกานแสดงธรรมหรืออธิบายธรรมให้ฟังมากน้อยก็เป็นกุศลถนัดจิตใจให้เราคุ้มค่าที่เรามาแนวสาราแห่งธรรมนี้จึงขอความสุขความเจริญมีแต่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน วาระสุดท้ายนี้จะขออนุโมทนาท่านทั้งหลายโดยพร้อมเท้าวาริวหาปูราปฟรูเรติสักรังเอวะเมวะันโตทินนางเตตานางปุปะกะ ป, ะปะติอิจิตังปฏิตังสุมอังคิปเมวะสมิชาตุเตปูเรนตุสังกะปาจานโธปนาระโสยะธ า, ามิชโชติ ระโสยถ า, าสพิตโยวิวัชันตุสั พ, พโรโควินัสตสุมาเตภวัตมันตรายโยสุีทีคายุโกภวะอภิวาธนาจีนิจนะนิจังวุทาพิจายโนจตารโรธมาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลาัง <c oughs> วันนี้เป็นวันมาคุณมีเป็นเดือนสามซึ่งตรงกับวันพระหัหนึ่งพันสองร้อยห้าสองค์ท่านมาปฏิบัติในพุทธสถานคือสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เวรุวันสถาน พระหันหนึ่งพันสองร้ห้าสิบค์นี้ไมไ่ถูกรับสัง่งหรือเชื้อชนญจากพระพุทธเจ้าและไม่ได้นัดแนะซึ่งกันและกันว่าจะมาวันนั้นเวลาเท่านั้นแต่ต่างองค์ต่างมาด้วยเจตนาของตนเองในวันเช่นวันนี้ เวลาบ่ายในพระหัหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่ บ, บวช ด, ด้วยเอหิทิขุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้ารงบวชเองสมัยแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้ารงบวชเองนั้นบวชสั้นๆง่ายๆเอหิทิขุ ท่านจงเป็นพิสูจมาเถอดเท่า น, นั้นก็เป็นพิสูจได้เรียกว่าเอหิพิสูจน์พระสำปทาต่อมาก็ติเจอร์นูพระสำปทาคือถึงพระรณะแต่แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปริยานตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความต้องการเป็นพระเท่านั้นก็เป็นพระขึ้นมา พิมาราที่สามก็เลยเป็นสังขาวัสมระตายู่อทั้งหมดด้วยสงตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปมีหมายถึงมัติ ม, มัตประเทศเช่นประเทศอินเดียท่านหมายท่านเรียกว่าเป็นมัติ ม, มัตประเทศเช่นประเทศเหล่านี้เป็นตายแดงของพุทธศาสนาในข้างนั้นเรียกว่าปัจจันต์ประเทศ อ๋อมาชิมมะประเทศนั้นต้องบวชตั้งแต่สิบองค์ขึ้นไปคือมีพระสงฆ์ชุ ม, ม, มนุมกันทั้งอุปชัยยะและพระอันดับรวมแล้วสิบองค์ในมาชิมะประเทศเช่นประเทศอินเดียส่วนปจันต์ประเทศเช่นประเทศเราอย่างนี้เพียงห้าองค์ก็ได้มีพิธีบวชมีถึงสามประเทศด้วยกัน แต่บรรดาพระหัหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์นี้ทรงบวชจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและเป็นพระหันรบ่นล้วนท่านถูดไว้หมึกสักคู่นี้ว่าพร้อมในองค์สี่คือเป็นเอหีพิคุไปสัมประธานหนึ่งและไม่ได้ น, นัดแม้กันหนึ่ง คือมาเองและกันในตะวันบ่ายและอะไรอีกที่สี่จำไม่ได้แล้วแต่ทุกท่านก็คงจะจำได้หรือท่านทั้งหลายคงจำได้ที่กล่าวผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ท่านเหล่านี้เป็นสาครังท่านนางคัดสามีโดยสมบูรเรียกว่าปุญักเตตังโลกะตะโดยแท้ เป็นเนื้อนาบุญของโลกของท้องสารได้โดยช่มบูดคําว่าเนื้อนานั้นมีหลายประเภทอย่างที่เนื้อนาของเราทั่วๆไปสถานที่บางแห่งเนื้อนาท่มพื้นที่นั้นดีปลูกข้าวลงได้ผลมากเนื้อนาบางแห่งไม่ค่อยได้ผลบางแห่งไม่เกิดผลเลยนี่เราเทียบดังนั้นเนื้อนาภายนอก เนื้อนาตามพุทธศาสนานั้นหมายถึงพระสงฆ์องค์พระรหันเรียกว่าเป็นเนื้อนาชั้นเอกเพราะฉะนั้นบรรณาพระหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ซึ่งเป็นพระรหันล้นล้วนเออซึ่งเป็นผู้หมดจดล้นล้วนนี้จึงเป็นเนื้อนาอย่างเอกของพวกเราทั้งหลายหรือของโลกเรียกว่าคุณยักษ์เษต่างโลกัสส์เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอก ท่านเหล่านี้เป็นผู้พ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่โลกนั้นคุกราศทนากันแต่ได้ประสบพบเห็นอยู่เสมอไม่ว่าท่านว่าเราสิ่งดังกล่าวนี้ท่านพ้นไปแล้วโดยจิน้นเชิงอันว่าถึงพระนิพพานคาว่าพระนิพพานก็คือธรรมชาติหรือสถานที่ถ้าเราพูดสถานที่ ก็เรียบสถานที่หรือธรรมชาติที่ดับแล้วในสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายนับแต่น้อยไปถึงมากไม่มีอะไรเสร็จเหลืออยู่ภายในใจของท่านเรียบวัดถึงแล้วชื่นความพ้นทุกโดยจาการทั้งบวงจึงควรเป็นคุณยบเจตังโลกัสะของโลกและเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาท่าน ดังวันนี้เป็นวันมาคะได้รู้ถึงองค์ท่านเหล่านั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในสังฆีิบาทและวิสุทธิอุโบสถพระพุทธเจา้าทรงประกาศว่าเป็นวิสุทธิอุโบสถก็รู้สึกจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือ เป็นอุโบสถที่มีพระอาหารหันต์ล้วนๆเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในสังขัญวิบาตนั้นไม่มีพระปุตุชนที่หรือพระเดียบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งมีกิเลสอยู่เข้าแกงอยู่เลยแม้รูปเดียวในศาสนาของพระพุทธเจ้ารู้สึกจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เป็นวิสุทธิอุโบสถเป็นอุโบสถที่บริสุทธิ์ล้วนๆ ใจความแห่งโอวาทที่ท่านแสดงในวันนั้นว่าสัพปาปัสะอาการะนังการไม่ทำบาบทั้งพวงหนึ่งทำบาปคือสิ่งไม่ดีทั้งหลายคือธละสู้ปะซั่มปะดาการยังกุศลคือความฉลาดช่วยการทาดีทำชอบให้ถึงพร้อมหนึ่ง สกิตประโยชน์ปานางังการทำกิจให้ป่องใสจนถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานาสาสนางังนี้เป็นคำส่องสอนของพระษษพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เป็นใจความย่อของพระโอวาทที่ทรงแสดงในวันนั้นนอกจกนั้นท่านก็แสดงเป็นปริยายไปเรื่อยๆนี่เป็นใจความอันใหญ่โต ของมิสุดที่อุโบสถในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองคําว่าการไม่ทำบาปคือของไม่ดีนั่นไม่ทำทางกายไม่พูดทางวาจาหรือไม่ทำทางวาจาไม่ทำทางความคิดคือทางจิตใจทางเรียกว่าไม่ทำบาปทำมาบาปนั่น คือกิมที่เศร้าหมองสิ่งที่ไม่ดีทำแล้วให้เกิดทุกข์ทำน้อยทุกข์น้อยทำมากทุกข์มากเดือดร้อนมากท่านเรียกว่าบาปทั้งนั้นคำว่าบาปมันเป็นท่านแต่ทับสัพก็กปาปะป า, ป, าปังแปลว่าบาปบาปนั้นแปลออกเป็นภาษาไทยของเราคือความเศร้าหมองความไม่ดีเช่นมณฑินผูกตัวของเราหรือเสื้อผากของเรา ถูกที่ตรงไหนไม่น่าดูที่โครงนั้นถูกหมดทั้งผืนกน็ต้องเลยซักเลยฟอกมาอย่างนั้นใช่ไม่ได้ดูไม่ได้ตัวของเราก็เหมือนกันมอแมแอมไปหมดดูเหมือนไม่ใช่คนถ้าถูกมากๆแล้วดําไปหมดถ้าดําแบบธรรมชาติเช่นหมีอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ดำเพราะความแปดเปื้อนนี้ไม่ดีนี่เรียกว่ามลทินมลทินภายนอกถูกเสื้อผ้าของเรา ถูกตัวของเราถูกอะไรมันก็ไม่น่าดูทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่ามโนทินสิ่งทําให้เศร้าหมองสิ่งทาให้โศวกระโตกทางเกี่ยวกับทางจิตใจทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าบาคือความเศร้าหมองอยากให้มาแปดเปื้อนทางความประพฤติคือทางกายของเราทางวาจาของเราทางใจของเราการกระทําไม่ดีการกระทําร ให้เกิดความเดือดร้อนหรือกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นท่านเรียกว่าการกระทําไม่ดีเป็นมนทินแปรเพื่อนกายของเราแปรเพื่อนวาจาเช่นพูดไม่ดีพูดไม่มีเหตุมีผลพูดกระทบกระแทกแดกดันให้คนอื่นได้รับความเสียหายหรือเก็บใจเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มนทินแปรเพื่อนทางวาจาหรือแปรเพื่อนทางปากก็ไม่น่าดู ปากคนนั้นมอมแแมงไปด้วยบาปเบื่อกรรมกายคนนั้นมอมแแมงไปด้วยบาปเบื่กรรมใจก็เต็มไปด้วยบาปโดยกรรมหมดทั้งตัวก็ใช่ไม่ได้เป็นคนสกรปรกนม้จะอาบน้ําวันละร้อยหนก็าตามแต่กายวาจาใจนั้นถูกแปดเปื้อนด้วยความไม่ดีที่ระบายออกมาจากตัวของตัวเองทำจริงจาหนึว่าของไม่สะอาดไม่ควรให้เข้ามาแปดเปื้อนในตัวของเรา ในกายในวา จ, จาในใจของเราเพราะจะทำจิตใจของเราให้เป็นของใช้ไม่ได้ใจที่แปดข่้วนดปมลทินมากมาย่อมไม่รู้บาปรู้กรรมไม่รู้คุณรู้โทษแต่จะไปโดนเอาแต่โทษไปโดนเอาแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนที่ตัวทำขึ้นมาคือมลทินที่ตนทำไว้แล้วนั่นแหละจะมาฆ่าเข้ากับตัวของตัวลกลุกลังไปหมดชังใจโลกทั้งหลายคอยรับความสุขความสบาย เราได้รับแต่กองทุกข์กิดในชาติในพบใดมีแต่กองกองทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนอันเป็นผลแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําไม่ดีของตนนักบากท่านหลายท่านท่านหลายท่านชิงห้ามคือมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นท่านบอกมันไม่ดีอย่างนี้เมื่อครั้งนั้นท่านสอนว่าไม่ดีของไม่ดีนั้นในสมัยปัจจุบันนี้โลกก็ไม่ต้องการเช่นเดียวกับสมัยนั้น เมื่อเราไม่ต้องการเส้นเดียวกับสมัยนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามกําจัดตัดเป่าสิ่งไม่ดีนี้ให้ออกจากกายวาจาใจของเรานอกจากสุดวิสัยที่เราจะแก้ไขได้เท่านั้นก็ยอมรับไปโดยความสุดวิสัยถ้ายังพอเป็นวิสัยของเราจะสามารถแก้ไขดัดแปลงหรือชั้าล้างได้อยู่เพราะไม่ควรจะให้สิ่งเล่านั้นแปดเปื้อนที่กายวาจาใจของเราเพราะจะทำความเดือดร้อนเสียหายหรือตกปกแต่ตัวเราเอง สึ่งเป็นของไม่ดีนี่ที่ท่านว่าะสัพปะภาษาอาการนังการแม่นำาสิงทั่วช้าลามกเข้ามาทาตัวเองเอาคุณง่ายตามภาษาของเราให้แปดเื่อนตัวจริงหน่านั่นเป็นของดีนี่เป็นข้อหนึ่งพุศลสู้กระซั่มประทาหรือประสัมปดา การยกุศลให้ถึงพร้อมกุศลก็แปลว่าความฉลาดฉลาดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นพยายามบำเพ็ญให้พยายามทําในสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่ศาสนาทันเรียวกว่าคนฉลาดไม่ได้หมายถึงว่าไปรเรียนประเทศนอกประเทศนาที่ไหนแล้วจะวเป็นผู้ฉลาดเรียนความรู้สูงสูงแล้วได้ปริญญา ตรีปรัญญาโทรปรัญญาเอกมาแล้วแต่ว่าเป็นผู้ฉลาดทีเดียวนั้นทางพุทธศาสนายังไม่ยอมรับการยอมรับของทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงคนฉลาดในทางที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทําตนและผู้อื่นให้รับความสุขความสบายความล่เย็นเป็นสุขเพราะวิชาความรู้หรือเพราะความฉลาดนั้นๆท่านเรียกว่าคนฉลาดจริงท่านไม่ียกเหมือนโลกทั้งหลายเรียกกัน โลกเรียกกันมันหมายถึงว่าไปเรียนวิชาที่ไหนมาเรียนตั้งแต่ชั้นต่ําจนกระทั่งถึงปริญญาตรีโทเอกแะเรียกปัญญาชนแต่ปัญญาชนบางบางปัญญาหรือบางรายนั้น <Okay. S 1> เรียนม า, มากเท่าไหร่ <Okay. S 1> ยิ่งก่อความเดือดร้อนให้โลกมากเท่านั้นเพราะความฉลาดนั้นเป็นเครื่องมือของความไม่ดีทั้งตัวเองท่านจึงไม่ให้เกียรติท่านจึงไม่ให้คะแนนท่านจึงไม่ชมเชย ความรู้ประเภทนั้นว่าเป็นคนฉลาดแต่ท่านทมเชยความรู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่ตนและผู้อื่นให้รับความสะดวกสบายตั้งแต่ส่วนแคบจนถึงส่วนกว้างทั่ว่วไปตามความสามารถของตนที่จะทำได้ว่าผู้นี้เป็นผู้ฉลาด ในทางพุทธศาสนาท่านนิยมความฉลาดอย่างนี้ผิดกันกับโลกในข้อที่สามสกิตกตะประโยชน์ปันนังการทำจิตของตนให้มีความฝ่องแพ้วความป่องใสหรือความมริสุดเตตังพุทธาน า, าสานังเหล่านี้เป็นคำสอนทั้งพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจะสอนแบบเดียวกัน เพราะท่านรู้แบบเดียวกันท่านบริสุทธิ์แบบเดียวกันเป็นพุท ธ, ธะโดยสมบูรณ์ด้วยกันการรู้ทำแท่งเดียวกันการสอนจึงสอนทำแท่งแบบเดียวกันไม่มีผิดแบบต่างกันไปเลยท่านคุณยววายบอกเป็นคําสอนของพระพุทธเจทั้งหลาย ถ้าองค์ใดก็ตามได้มาตรัสรู้แล้วย่อมตรัรสรู้ธรรมของจริงด้วยกันไม่มีตรัสรู้ธรรมของปลอมเมื่อรู้โดยธรรมของจริงก็ต้องสอนด้วยความจริงความจริงก็ลงในแง่เดียวกันดังที่กล่าวมานี้สามบทแห่งโอวาปัติโมกที่พระพุทธเจ้าทร ง, สงสแสดงนี้เข้าได้กับพระพุทธเจ้าทั่วๆไปที่ทรงสแสดงไว้แล้วการทําจิตให้ผ่องใสนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ถึงขั้นบริสุทธิ์ความผ่องใสของจิตนี้ยอมจะทำเราให้ได้รับความสบายภายในใจคนที่มีใจสงบคนที่มีใจเยือกเย็นคนที่มีใจผ่องใส ย, ยอมมีความสงบเยือกเย็นถึงจะมีอะไรมากระทบกระเทือนบ้างก็ไม่กลิ้วไม่โกรธไม่โมโหโทโสอย่างง่ายได้เพราะ มีที่อาศัยมีที่ยึดมีหลักใจยิ่งในธรรมใจให้มีความฝ่องใสขึ้นมากเพียงไรผมคือความสุขความสบายภาในใจก็ยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ทาจิตให้บริสุทธิ์สุกพ้นโดยจิตเชิงแล้วเช่นพระอรหันต์ึ่งันสองร้อยห้าสิบองค์นี้ จึงเป็นผู้ไม่มีทางสงสัยว่าท่านจะเด็ดประสบความทุกข์ลำบากอย่างใดที่โลกทั้งหลายได้พบและที่ท่านเคยได้พบมาไม่มีอีกแล้วตลอดอนันตการนี่ที่ท่านเรียกว่านี้พานเที่ยงก็คือเที่ยงที่จิตใจทรงตัวไว้ด้วยความสม่ำเสมอไม่ต้องอาศัยสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมเข้าไปเหยียบย่าทําลายได้อีกแล้วตั้งแต่ขณะที่ จิตได้หลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งดีและชั่วทั้งหลายท่านว่าจิตทั้งถึงนิพพานสาอุปาทิเสสนานิพพานหมายถึงได้รู้นิพพานโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เมื่อขันยังอยู่ คือได้ปรัตตลุทำดังพระพุทธเจ้าได้ปรัตตลุทำแล้วสั่งสอนโลกต่อไปเจ็ดสี่สิบห้าเพราะพรรษาจึงสเสด็จนิพพานทรงรู้นิพพานแล้วตั้งแต่วันปรัตตลุแต่ขันยังมีอยู่ความทุกข์ทางขันยังมีอยู่เหมือนโลกทั่วไปมีความหิวความสหายความอยากลับจากนอนความเหนื่เหนื่อยเมื่อยล้า มีเช่นเดียวกันกับโลกทั่วไปเพราะขันนี้เป็นสมมุติเช่นเดียวกับโลกทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าพระไทยของพระองค์มิได้กระทบไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนหรือไม่มิได้รับความกระทบกระเทือนจากทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในธาตุในขันเช่นที่เคยเป็นมาเท่านั้นพระอรหน์ทั้งหลายทั้งเกาะใน ด, ดูแจ้งแทงตลอดทระนิพพานตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรม พอพ้นจากธาตุจากขันอันเป็นเครื่องก่อควรบุ่นวายอยู่ทุกเวลาทุเวลานี้แล้วท่านก็หมดทุกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดจะไปเกี่ยวข้องได้แล้วขึ้นชื่อว่าสมบูรณแม้ละเอียดที่สุดจึงเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้บูชาของพวกเราทั้งหลายกราบไหว้บูชาท่านนั้นแทนที่จะเป็นการส่งเสริมท่านให้ดียิ่งขึ้น กลับมาเป็นการส่งเสริมตัวของเราเองกลับเป็นการมาสั่งสมคุณงานความดีสำหรับเราเองโดยอาศัยท่านเป็นต้นเหตุดังที่เราทั้งหลายได้มากราบไหวามาทำพิธีมาคบบูชาวันนี้เพื่อรูกถึงองค์สมเด็จพระชมมาสัมพุเตเจา้าผู้เป็นองค์พระประธานในสังฆสานนิบาตแห่งพระสงฆ์สาวกห2 5 0อองค์นั้น ก็เป็นเรื่องที่เราควัญขวายคุณงามความดีจากท่านมาสู่ตัวของเราทางหาไม่ใช่เป็นการที่จะนำบุญตังคุศลไปส่งเสริมท่านให้ดียิ่งขึ้นหรือสูงยิ่งขึ้นกว่าพระนิพพานนั้นหาไม่ผลสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเราทั้งหมดเรามากราบว่าสัการะ บ, บูชาทำความรรลุถึงท่าน เพื่อบุญกุศลคือคุณ ง, งามความดีสาหรับเราการทำบุญให้ทานทุกประเภทก็ดีการรักษาศีลไม่ว่าศีลห้าศีลแปดศีลสองรอยีสิบเจ็ดก็ดีการเจริญภาวนาสวดมนต์ไหพระภาวนาก็ดีทั้งหมดนี้เป็นการทำคุณงามความดีเพื่อเราทั้งสิน้นไม่ได้เพื่อพระพุทธศาสนา ไม่ได้เพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่าองค์ใดที่ท่านสบูรณเต็มที่แล้วแต่เพื่อเราโดยตรงเราทั้งหลายจริงไม่ควรจะประมาทนอนใจและควรจะภาคภูมิใจในคุณงามความดีของตนที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีพระศาสนาเป็นองค์ขันยานเป็นเนื้อนาอย่างเอกที่เราจะได้วานพืชหลังผลไปทุกวันทุกวันอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บูตริงชาติ ไปมาพบของประเสริฐแล้วอย่างน้อยก็ควรจะเป็นลูกศิษพระาคาถตโดยความเป็นพุทธบริษัทที่ดีเป็นเด็กก็ควรจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าขอกรุณาได้สั่งสมคุณงามความดีความเฉลียวฉลาดความประพฤติทุกด้านที่ควรแกนะ่่านละของเราไว้ในตัวของเราให้เป็นเครื่องประดับเราจะเป็นคนสวยงามเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามได้เมื่อได้ทําเป็นเครื่องประดับมีความประพฤติมา ร, รยาทเป็นเครื่องประดับ เพราะอำนาจของศาสนาเป็นเครื่องอบรมแล้วจะเป็นเด็ดที่มีคุณค่ามีราคาเป็นเครื่องประดับตนและประดับเกียรติของสกุลของเราอีกด้วยหรือในโรงเรียนก็งามในหมู่ในคณะยิ่งต่างคนต่างในศึกษาอบรมทางด้านธรรมะด้วยแล้วเดช ก, ก็ไม่ค่อยจะเสียเพราะมีเครื่องเหนียวล้างเอาไว้มีเครื่องฉุดเอาไว้ ไม่ะล่มไปเสีทีเดียวเพราโลกสมัยทุกวันนี้มีทุกจริงทุกอย่างโดยมากก็เป็นเครื่องหลอกลวงสำหรับเราที่มีเล่ห์เหลี่ยมยังไม่แหลมคมพอที่จะรู้เท่าทันสุนันจังตกไปเป็นทาสเป็นหมอยเขาได้โดยไม่รู้สึกตัวกลายเป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นคนใจแตกแหวะแนวไปได้ทั้งทั้งติดเป็นมนุษย์ทั้งคนและเรียนความรู้วิชาไปทุกวันทุกวัน แทนที่คัามรู้วิชานั้นจะเป็นเครื่องประหนับและถุดล่าออกจากความไม่ดีทั้งหลายเลยกลายเป็นเครื่องมือใส่เราเข้าไปสู่ที่อับที่จนเช่นด้วยตามไปนี่ก็เพราะขาดหลักธรรมหลักธรรมคือเหตุคือผลลำใหญ่พูดเอาเหตุเอาผลนี่เป็นที่เหมาะที่สุดสําหรับศาสนาเราจะทําอะไรพูดอะไรจะประพฤติตัวอย่างไรบ้างเราต้องไข่ควรถึงเหตุผลดีชั่ว ที่จะเสียทรัพย์สมบัติเงินทองแล้วเสียตัวของตัวในปัจจุบันตลอดอนาคตแก้ไม่ตกเราต้องคิดให้ดีไม่คิดแล้วยังเสียตัวของเราในปัจจุบันอีกนอกจากนั้นยังจะเสียไปเรื่อยๆเสียเงินเสียทองก็ไม่เท่าไรนะักแต่เสียใจที่ได้ต่อเหตุต่อผลต่อเล่ห์เหลี่ยมของโลกของิ่งเราด้อยวนวิ่งหลอกลวงนั้นเป็นสิ่งที่เสียมากที่สุด คนเราถ้าลงใจได้เสียแล้วไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไม่มีสาระอันใดเลยในบุคคลคนนั้นจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชาก็ตามเด็กผู้ใหญ่ก็ตามจึงควรได้รับการอบรมศึกษาไว้เสียแต่ต้นมือโดยอาศัยพุทธศาสนาเป็นทางเดินคำา่าเงินเสียไปไม่เท่าไรนั้นเงินนั้นเป็นสิ่งที่เราหาได้แต่ใจเสียไปนั้นเป็นสิ่งที่เสียมาก คือใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในตัวของบุคคลและในโลกนี้ทาให้ใจเสียไปเพราะเหตุใดถึงว่าใจเสียไปทั้งๆที่รู้อยู่เสียไปได้อย่างไก็เสียไ ป, ไปทางความรู้ความเห็นที่ไม่ดีนั่นเองความรู้ความเห็นความคิดอันไม่ดีนั่นและเป็นเครื่องก่อควนจิตใจให้ระบายออกทางกายทางวาจาเงินทองมีมากน้อยจะต้องออกไปจากใจเป็นผู้ดำดิหรือเป็นผู้คิดเป็นผู้บงการ ถ้าใจรับการอบรมในทางที่ดีมีเหตุมผลแล้วจะต้องไข่ควรว่าก่อนที่จะจับจ่ายใช้สอยในสิ่งนั้นๆหรือซื้อสิ่งนั้นๆมาใช้มารับทานหรือมาอะไรก็แล้วแต่เราต้องไข่ควรถึงความได้ความเสียทุกประโยชน์รือทั้งสองอย่างแค่พอถ้าควรซื้อเราก็ซื้อควร แ, รแลกเปลี่ยนเราก็แลกเปลี่ยนไม่ควรซื้อแม้จะมีความอยากจะซื้งอะไรก็ตามเราก็ห้ามตัวข้างเราได้ด้วยเหตุผล เพราะเหตุผลนั้นเราเรียนมาเราศึกษามาเพื่อจะห้ามตนเองในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีทําไมเราจะห้ามไม่ได้เมื่อเหตุผลบ่งบอกอยู่แล้วว่าถ้าผืนทําไปอย่างนี้จะต้องเกิดความเสียหายอย่างนั้นแน่นอนใครจะฝืนตัวลงไปหรอยิ่งคือเหตุผลหลักเหตุผลมีหลักเหตุผ ล, ลเผลท่านั้นจะบังคับหรือสร้างทานหรือห่วงห้ามกีดกันคนไม่ให้เสียได้นอกนั้นไม่มีวิชาก็วิชาเถอะ ถ้าไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบแล้วไม่เป็นผู้หนักแน่นไม่เป็นผู้ยินดีต่อเหตุผลแล้วจะมีทางเสียได้อย่างง่ายดายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กหรืผู้ใหญ่สําคัญที่เหตุผลเป็นสิ่งสําคัญเี่หลักพระพุทธศาสนาก็เป็นเหตุผลรุนรุนที่เราจะต้องนํามาประพฤติธปฏิบัติใคขควรเมื่อนิสจลิตนิสัยของเราที่เคยฝึกฝนอบรมด้วยเหตุด้วยผลบังคับตน ตัวเหตุผลโดยจะทจํากิจการงานใดๆก็ตามมีเหตุนี้ผลเป็นเครื่องทดสอบอยู่เสมอแล้วจิตใจจะชินต่อเหตุผลจะทําอะไรก็ทําได้ด้วยความราบรื่นดีงามไม่ค่อยเสียประโยชน์ไม่ค่อยเสียผลเพราะเหตุผลเป็นเครื่องรักษาอยู่เสมอและต่อไปก็ชินเองมีวิธีรักษาตัวความรู้เรียนมามากน้อยให้มีเหตุผลเป็นเครื่องกํากับเิดจะเป็นเครื่องประดับตนได้ดี ไม่ว่าจะเรียนเมืองนอกหรืว่าไม่ว่าจะเรียน เ, เรียนเมืองไทยเราไม่ว่าจะเรียนวิชาขแขนงใดวิชาขแขนงนั้น น, น้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องส่งเสริมอาชีพความเฉลียวฉลาดของคนแต่คนถ้าไม่เป็นผู้หนักในตุผลแล้วคนคนนั้นแหละจะถูกสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนนำหลักวิชาทั้งหลายที่เรียนมานั้นมาเป็นเครื่องมือให้ทำความชั่วฆ้าละโมกจนเสียผลไปได้ นั่นพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนให้มีความฉลาดกุศลสู้ประซึมถถาให้มีความฉลาดอย่าให้โง่ต่อตอนเองทั้งโง่ต่อตอนเองแล้วความประพฤติทุกด้านก็โง่การจะทําอะไรอรก็โง่คําโง่คือสิ่งที่จะทําให้คนเสียนั่นเองทําอะไรเสียเปรียบเจ้าของเลยเด้ยวยท่านเรียกว่าพําโง่เสียเปรียบเจ้าของคือเสียเปียบจากสิ่งที่ไม่ดีของเจ้าของอ่ะคอยฉุดลากไป ท, กทุกวันทุกวันทุก จนเสียคนทั้งที่ชีวิตก็ยังครองล่างอยู่เสียคนหน้กากลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาไม่มีใครอยากจะเหลือมองเลย น, นั่น่ยอธิบายถึงธรรมะมีความจำเป็นต่อโลกทุกชาติชั้นวรรณะทุกวัยศาสนาจริงไม่เป็นของล่าสมัยเป็น ธรรมชาติที่พอเหมาะพอดีกับมนุษย์เราฉะนั้นศาสนาจริงได้ประดิษฐานอยู่กับมนุษย์ของเราไม่ว่าจะอยู่ในโลกไหนไหนมีโลกมนุษย์นีเท่านั้นสามารถจะรับศาสนาไว้เป็นเครื่องเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมาดังประเทศไ ท, ทยเราได้นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ดึกจำบันปู่ย่าตายายเลื่อยมาจนกั่งถึงทุกวันนี้ขนมธรรมเนียมประเพณีที่ออกจากศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สวยงามมาก ราบราบพื้นชื่นตาไม่สะดุดตาสะดุดใจสะเทือนโลกเราจรึงควรนำลัทธิแบบคุณมีอันดีของเหล่านี้ใช้ต่อไปให้ลูกเจ้าหลานเลนของเราได้ยึดเป็นหลักว่าเมืองไทยนะเหล่านี้ยังมีเนื้อหนังเป็นของตัวไม่ได้ยืมเนื้อยืมหนังมาจากคนอื่นๆประเทศชาติอื่นมาเป็นเนื้อหนังของตัวโดยถ่ายเดียก เราก็ยิ้มได้ในเมื่อสิ่งใดเป็นเราเป็นใหญ่ในตัวของเราได้เราเป็นเนื้อหนังของเราเองเราไม่ได้ไปยืมเนื้อยืมหนังจากผู้อื่นผู้ใดมาใช้โดยถ่ายเดียวสิ่งใดที่มีอยู่ของเราเราก็พยายามยินดีในของมีอยู่ของเราเราผิดขึ้นมาได้เราทําได้เราพย า, ายามใช้สอยของเราส่งเสริมของเราก็เป็นเนื้อหนังของเราขึ้นไปเรื่อยๆ ลูกตาลหลานเลนเกิดขึ้นมาก็จะไม่ฟุ้งเฟอ้อเหมิมดิ้นดนขบวนขวายหารเนื้อหนังที่อื่นมาปะตัวเองเข้าเช่นเดียวกับกาฝากทัานปะเข้ามาทลายกระดูดเนื้อดูหนังจนไปเรื่อยเช่นเดียวกับกาฝากเกิดขึ้นในต้นไม้ต้นไหนยอมทําต้นไม้ต้นนั้นให้อับเท้าลงไปเหี่ยวแห้ลงไปผลที่สุดต้นไม้ต้นนั้นก็เลยกลายเป็นอาหารของกาฝากเสียทั้งหมดนั่น เป็นอย่างนั้นนี่แหละก็กรุณานำไปพิจารณาเอาเพราะสิ่งอันนี้พอที่จะเข้าใจได้กาฝากการมันสังเข้ามาในจิตใจของเรามากๆมันจะทําเราให้เสียได้อย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสังในจิตใจของลูกของหลายคุณบุตรสุดท้ายภายหลังเลยไม่ปรากฏว่าขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราเป็นยังไงเลยไม่ทราบมีแต่กาฝากเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มตัดเต็มบุคคลเต็มหญิงเต็มชายเต็มประเทศชาติ อะไรอะไก็อาศัยจัดสิ่งอื่นมาเป็นกาฝากฝังลงไปในตัวของเราในสมองของเราเลยมีตั้งแต่กาฝากเต็มไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตใจหาตัวของตัวเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยไม่ได้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแนละ้วผลจะเป็นอย่างไรใครๆก็ทราบเดีวยวกันนี่เป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมะประเภทภายในเข้าไปอีกหมายถึงจิตใจของเราโดยเฉพาะ ให้พยายามอบลมทำเข้าสู่จิตใจเสมอจะให้แต่ความขี้เกียจความมักง่ายความโลคความโกรธความหลงเข้าแทรกถึงจิตใจอันเป็นกาปาอีกเช่นเดียวกันจะทําทจิตใจของเราให้เสียชื่อว่าของไม่ดีแล้วซติมชาบภายในจิตใจขะใดก็ต้องดูดเตมเอาจิตใจมาเป็นอาหารของตนเสมอจิตใจของเราก็นับแต่วันเดือดร้อนหุ่นวาย หาความสุขควาสบายไม่ได้นี่ก็เพโทษแห่งความไม่เห็นคุณค่าของใจใจแล้วมีวันที่จะเป็นคุณค่าขึ้นมาให้ประจักรจะให้ได้ชมผมก็ว่าเราเป็นมนุษย์เป็นชาติที่สูงในบรรด า, าสัตว์ทั้งหลายประเทศเรานำว่ามีวาสนามากมีบุญมาก แต่พระพุทธศาสนามาประดิษฐานไว้ที่เมืองไทยเรารู้สึกจะเด่นกว่าทุกๆเมืองแม้จะเป็นเมืองน้อยแต่โดยมากเป็นผู้ถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงที่สุดกรุณาได้อบรมตนเองให้เกิดผลเกิดประโยชน์อย่างดี จริงๆก็อยากเวลามีโอกาสก็ควรจะอย่าให้การภาวนาผ่านไปเวลาจะหลับจะนอนก็ควรจะได้ไหว้พระไม่มากก็น้อยแล้วได้กำหนดภาวนาบ้างทุกทุกคืนเป็นคู่เคียงกันไปกับงานของโลกที่เราทำเป็นประจำวันงานทางการอาชีพนั้นเริ่มทำตั้งแต่ ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับมีจะ ต, ตั้งท่าจะได้ตั้งท่าจะเอาตั้งท่าจะโลก่ายเดียวตลอดตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับถ้าจะได้มากมายเพียงไรก็ควรจะได้แต่แล้วก็ได้ตามกำลังความสามารถของเราไม่เลยความสามารถของเราไป ส่วน ง, งานจิตใจตั้งแต่ขนาดตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับซึ่งงานนี้เป็นงานสำคัญมากเป็นงานที่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆจากงานของใจอันนี้ได้แจกคุณ ง, งามความดีเราได้มาประกอบบ้างในวันหนึ่งคืนหนึ่งกีน่นาทีกี่ชั่วโมงเราควรจะมาทดสอบเทียบเชียงกันกันกบงานที่เพื่อร่างกาย คืองานเพื่อใจโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเพื่อร่างกายอีกเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อสังคมเพื่อผู้อื่นอีกแล้วเราได้ทํามากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่เราควรจะทดสอบเราควรจะบวกโ ก, กันดูเพื่องานทั้งสองนี้จะได้เป็นคู่เคียงกันไปประโยชน์ก็จะได้ทั้งฝ่ายส่วนร่างกายคือการทํามะเรื่องจีบก็พอเป็นพอไป ประโยชน์ทางภายในคือความร่วมเย็นเป็นสุขของใจในปัจจุบันและความหวังพุ่งพิงทั้งในอนาคตที่เราจะเป็นไปในการข้างหน้าที่ว่าบุญนี้เป็นผู้พึ่งเป็นพุ่งกายต่อไปข้างหน้าเราก็จะได้มีความราบเรื่นชื่นใจไม่เสียประโยชน์ทั้งปัจจุบันในอนาคตชื่อว่าเป็นผู้เรียนวิชาตุรอบตัววิชารอบตัวคือวิชาทางกายเพื่อความเป็นอยู่ ทางกายรับความสะดวกสวายเป็นตึกตรมบ้านช่องสมบัติพระสารอาหารการกินเราก็ได้กินเต่นขนขอยอามาพอเป็นพอไปวิชาภายในคือความสงบเย็ยนใจการสแสวงหาภุมงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญทรร น, นาเราก็ได้ไปโดยลำดับาหดับนบับั่พอตัวอยู่โลกนี้เราก็พอทรงตัวได้ไปโลกหน้าจะเราก็เป็นตัวของเราได้อีกด้วยอานาจแห่งบุญแห่งกุศล เรียว่าเราไม่เสียท่าเสียทีได้เกิดเป็นมาเป็นมนุษย์ทั้งคนได้ดำเนินตามแนวทางของมนุษย์โดยแท้จากพุทธศาสนาซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าของมนุษย์เราเราไม่เสียท่าเสียทีนี่คือว่าเป็นผู้พร้อมด้วยหลักวิชาเครื่องรักษาตนทั้งปัจจุบันอนาคตทั้งส่วนร่างกายและส่วนจิตใจ วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องบทธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานอุาทว่พระสงฆ์สาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ว่าสัพปะปัสะสะกัลลังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งุูจะสู้กระซั่มปะทะปดาการยังกูสนืูความเฉลียวฉลาด่อความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมหนึ่ง ถจิตต ป, ประโยชน์ปนังการชำระจิตัองตนให้พองแก่วจนถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานัสสสนังเรลานั้นเป็นคำอสอนของพระเจ้าทุกๆประองค์ก็เห็นว่าสมควรเกียเวลาขอความสวัสดีบงคงนคงมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาทั้งทางไกลและทางไกลอุตสามาด้วยน้ำใจใจศรัทธา มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยราคาละมี